การเว้นปานาติบาตการเว้นอธินาทานการเว้นกาเมสุมิชาจาร น, นี้แหลท่านผู้มีอายุทั้งหลายชื่อว่าสัมมากัมมันตะจากมาชิมานิกายอุปริปันธาตท่านแสดงแต่หัวข้อไม่ได้ขยายความอย่างในกุศลละกรรมบทสิบที่ได้ดูกันข้างต้นการอ้างในแง่นี้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 เพียงแค่ตามคำขยายความของศีลในกุศลละกรรมบวชสิบดังได้ยกมาให้ดูแล้วยอมเห็นได้ทันทีว่าคำติวิจารณ์นั้นไม่ถูกต้องถ้าท่านผู้เขียนคำตินี้วิจาร์ไว้ด้วยเจตนาดีข้อเขียนของท่านน่าจะเกิดจากการได้อ่านหรือรับทราบพุทธธรรมแต่เพียงครอบหลีกย่อยต่างส่วนต่างตอนไม่ต่อเนื่องกันและเกิดจากการไม่เข้าใจระบบแห่งพุทธธรรมเป็นส่วนรวม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 และตัดขนทางไม่ให้เกิดปัญหาทางจิตใจในด้านความขัดแย้งของความประพฤติ 5. ้าองค์มรรคั้นศีลสอนว่าความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่สุดของบุคคลแต่ละคนก็คือความรับผิดชอบต่อตนเองในการไม่ให้มีความคิดที่จะทำความชั่วด้วยการเบียดเบียนหรือล่วงละเมอต่อผู้อื่น อยู่ในจิตใจของตนเลยเมื่อมีความบริสุทธิ์นี้รองรับอยู่เป็นเบื้องต้นแล้วความรับผิดชอบนั้นจึงขยายกว้างออกไปถึงขั้นเป็นการทำรงรักษาและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแห่งคุ ณ, ณธรรมของตนด้วยการขวนขวายทําความดีมันเป็นประโยชน์สุขแก่คนอื่นๆพูดสั้นๆว่ามีความรับผิดชอบต่อตนเองในการที่จะละเว้นความชั่ว